เมื่อวานได้หันหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าวินาทีวินาทีแห่งความเป็นอิสระก็มีมีผู้เขียนสองคนคนตมอมนกับคุณนิ้วกรมนะก็เขียนเขียนเรื่องราวของของคนที่เขาไปสัมภาษณ์บ้างหรือว่าเขาอ่านในหนังสือบ้างเพราะว่า มันก็เป็นแบบบางคนก็ตายไปนานแล้วแต่บางคนก็จะมีชีวิตยอยู่ก็อ่านไม่หมดหลักนะแต่ก็เลือกอ่านบางคนเลือกอ่านของอาจารย์ของเรื่องราวของอาจารย์โกวิสเคมานันทะเนาะคุณนิ้วกลมเขาไปไปเยี่ยมบ้านอาจารย์โกวิสอาจารย์โกวิทก็เป็นทุกศิษย์ นี่ของอาจารย์พุทธธาตแล้วก็หลวงพ่อเทียนเนาะตอนนี้ท่านเป็นภากินสันก็อยู่ในบ้านสมโท ม, สมเก่าๆนะคงอยู่ชาญเมืองกรุงเทพที่ใดที่หนึ่งแหละนะก็แต่บ้านนี้กเก่ามากนะแตกต่างจากความเป็นศิลปินแห่งชาติของท่านที่ในความเป็นศิลปินเนาะบางทีเราคิดถึงภาพบ้านศิลปินเนี่ยมันต้องเป็นบ้านที่ ที่แบบมีงานศิลปะหรือว่ามีมีสไตล์ที่ที่โดดเด่นแต่บ้านของอาจารย์ปุ้เนี่ยจะเรียกว่าเหมือนเป็นบ้านร้างก็ได้นมีใบไม้ร่วงผนังก็ผุพังสิ่งต่างๆก็ไม่ได้เข้าชุดอะไรกันเขาเข้าไปก็ก็คงคงอื่น หรือเราเองถ้าเราเข้าไปเราจะคาดหวังว่าเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็คงคงอึ้งเหมือนกันนะแต่จริงก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ต้องไปตีความเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้ น, นแต่ก็ไปสนทนากันอาจารย์เองก็ฟังไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ต้องสนทนากันผ่านการเขียน เขียนให้อาจารย์อ่านอาจารย์ก็ก็พูดออกมาแต่แต่แต่คนที่ไปคุยด้วยก็คงใช้การเขียนเอาอาจารย์ไม่คยได้ยินก็คงเป็นการพูดคุยกันเรื่องทั่วทไปบ้างเรื่องที่ผู้ไปหาท่านได้อยากจะรู้บ้างนะ ค, คุณนิวกรมก็ไปกับเพื่อนนะคือคุณวิจักต์นะคุณวิจักก็พอจะรู้จักอาจารย์มากกว่าก็เดือดคุ้นเคยมากกว่าก็คุยหลายอย่างก่อนตอนหนังนิวกรมก็เขาอยากถามอาจารย์บ้างนะเขาก็ถามนะหลายข้อนะมีหลายข้อทก็น่าสนใจเขาถามว่าตอนนี้อาจารย์มีความสุข อยู่กับอะไรนะอาจารย์โควบิศก็ตอบว่าก็โดยประมาณนะอาจาจะจาคำไม่ได้ทั้งหมดนะอาจารย์โกรบิศตอบว่าก็มีความสุขกับการที่ไม่มีความกังวลไม่มีความดินดน้นรนท้าเยอ่อทะยานยากไม่มีไม่มีศัตรู ผู้อาฆาตไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้อยากที่จะบรรลุธรรมแล้วนะอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นอมระของความสุขได้หรือเปล่าขณะที่ผมอ่านมันก็มันก็คือคือมันก็ดูก็ไม่ได้ดูอะไรนะแต่พอพอได้อ่านนะมันก็มันก็รู้สึกสบายดีนะ เพราะว่าคือเราจะพาะอย่างความการไม่มีความทะเยอทะยานอยากในสิ่งต่างๆหนึ่งก็เป็นความสุขอย่างหนึง่งนึวกลมก็ทางก็ถามในหลาย อ, อย่างแล้วทุกวันนี้ก็ก็อยู่อย่างไรอะไรประมาณนะ้อาจารย์วิทย์ก็บอกว่าก็ ก็ถ้าอยู่คนเดียวก็รู้สึกตัวนะฝึกสติไปนะรู้สึกตัวของอาจารย์สวิส์นะเขาก็จะให้คําประมาณว่ารู้สึกตัวแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องอะไรมากนะถ้าคิดนะ่ะมันก็ไม่รู้สึกตัวนะแต่บางครั้งถ้าแบบเผลอไปคิด เราก็แค่รู้สึกตัวแล้วก็มันก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากประมาณว่าบางครั้งในชีวิตก็รู้สึกตัวมันก็รู้สึกตัวของมันเองบางครั้งเราไม่รู้สึกตัวตอนที่ไม่รู้สึกตัวตอนที่รู้ว่าไม่รู้สึกตัวมันก็รู้สึกตัวแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นมากกว่านั้นนะท่านก็พูดประมาณว่า ตอนที่รู้สึกตัวนะมันจะไม่ใจมันจะไม่ดิ้นดนนะแต่ตอนที่ใจดิ้นดนไปนะั่นแหะคือความไม่รู้สึกตัวคือรู้สึกตัวแล้วมันจะไม่ดิ้นดนเขคงหมายความว่าไม่ต้องดิ้นดนที่จะรู้สึกตัวนะมันก็มันก็เป็นคำตอบที่ซื่อดีนะ บางทีก็สังเกตเวลาเราปฏิบัติหรือว่าสังเกตนะักปฏิบัตินะั้นบางทีเราก็จะดิ้นรนที่จะรู้สึกตัวหรือดิ้นรนที่จะออกจากความหลงบาทีการวางใจที่มันไม่ดิ้นรนอะไรมากมันก็มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ที่ทั้งๆางปฏิบัติ แล้วก็เป็นเป้าหมายอยู่ในตัวของมันมง่ายๆอยู่แล้วนะคือถ้าเราไม่ดิ้นรนมันก็คือก็คือการปฏิบัติทำแล้วอะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็ถามต่อว่าถ้าแบบชีวิตไม่มีความอยากอะไรต่างๆแล้วเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ท่านกบิดก็ว่าเอมันเป็นคำมันเป็นคาถามที่ที่ตอบยากท่านก็พูดประมาณว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรหรือเราเกิดมาทำไมทักพักหนึ่งท่านก็พูดต่อว่าบางที คำถามเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ต้องการคำตอบก็ได้นะเพราะว่าแบบคำตอบคาถามเองมันก็คงมาจากความดิ้นรนที่อยากจะรู้การไปการมีคำตอบก็เหมือนการไปสนองความดิ้นรนความอยากที่อยากจะรู้มันก็ไม่จบสักทีนะมันก็น่าสนใจนะว่าบางที ชีวิตคนส่วนใหญ่เราก็เหมือนเราก็อยากจะมีเป้าหมายชีวิตเนาะในทางโลกก็ดีหรือว่าในทางธรรมก็ดีคนส่วนใหญ่ก็ก็คงอยากจะมีเป้าหมายชีวิตนะในความอยากก็ดนะีอยากจะมีหรือว่าอยากจะไม่มีนะ ท, าทางโลกก็เป็นก็จะแต่ทางธรรมก็มีหลายอย่างที่ เป็นเป้าหมายแต่บางทีมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะชีวิตมันมันต้องการที่จะต้องมีเป้าหมายไม่เกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไร <c oughs> แต่บางทีก็ไม่ต้องมีคำตอบไม่ต้องมีเป้าหมายก็ได้มันก็สบายกว่าหรือเปล่าก็ <c oughs> ก็อาจารย์เขาคงตอประมาณนั้นซึ่งมันก็คงเป็นสิ่งที่ท่านท่านเป็นท่านทำเนาะว่ามันมันเป็นแบบไหนแต่ความรู้สึกของผมหรืออาตามายก็ว่ามันก็เมื่อได้อ่านได้ฟังเนี่ยมันก็สงบดีนะมันรู้สึกว่ามันการปฏิบัติธรรมหรือการมีสติมันก็ทำให้จิต มันไม่ต้องดิ้นหนนอะไรมากก็อยู่แค่ปัจจุบันนะชีวิตไม่มีไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีความอยากจะเป็นหรืออยากจะได้ไม่มีความไม่อยากเป็นไม่อยากได้อะไรก็อยู่อยู่แบบเหมือนอยู่เพื่ออยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เพื่อเพื่อจะเป็นอะไรหรือจะได้อะไร รู้สึกว่าการอยู่เพื่ออยู่หรือว่าการทำอะไรก็เพื่อก็แค่ก็แค่ได้ทำเนาะมันก็มันก็สบายดีแต่ก็ไม่คิดว่ามันขัดกับสิ่งที่ที่เราสวดมน์นะหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าท่านสอน บางทีท่านก็สอนให้เราขนาดตัวเองนะสอนให้เรามีเป้าหมายว่าทำอย่างไรเราจะทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ให้ปรากฏชัดแกเราได้อะไรนะหรือสอนให้เราต้องทำให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์อะไรนะี่ยในส่วนตัวไม่รู้สึกว่ามันมันขัดแย้งกันนะโดยแต่โดยภาษารู้สึกมันก็ถ้าเปเาก ฟัมในภาษามันก็เหมือนขัดแย้งกันนะบางอย่างมันก็คือเราต้องทำความเพียรให้มากๆนะต้องพยายามขนาดตัวเองบ่อยๆหรือว่าต้องเร่งรัดให้มันถึงที่สุดอย่งกองทุกนะเร็วๆนะอย่าได้ประมาทนะในชีวิตมันก็ถูกนะนะ มันก็เป็นสิ่งที่ที่ถูกเหมือนกันหรือสิ่งที่จันโควิดพูดเราก็ถือว่ามันก็ถูกเหมือนกันนแต่มันคือมันเหมือนเป็นเรื่องภาคปฏิบัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านแนะนํามาก็เป็นคือภาคปฏิบัติแบบหนึ่งเหมือนกันแต่จริงพอเรามีสติจริงจริงมันก็มีแต่มันก็มีแต่ปัจจุบัน ปัจจุบันที่เราไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรนะเราก็เพียงแค่รู้สึกตัวอืมมันก็มันก็พอละพอพอมันรู้สึกตัวจิตก็ไม่ต้องดิ้นรนที่จริงมันก็คงเกิดจากการที่เคยดิ้นรนมามากนนแล้ว <c ười> เคยดิ้นรนมามากเคยมีความอยากมาก อยากได้หรืออยากมีอยากเป็นอยากเอาทําโลกก็ดีหรือว่าในทางธรรมก็ดีเนาะอยากจะบรรลุธรรมอยากจะพ้นทุกข์ที่จริงมันจะมันจะหยุดดิ้นรนได้ก็ต่อเมื่อที่จริงมันก็ดิ้นรนมาก่อนนะฮะดิ้นรนม า, มามากนะถ้าเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของการดิ้นรนมันคงหยุดยากเหมือนกัน มันก็คงหลงมาก่อนเยอะแหละมันก็เลยเข็ดเหตุที่ที่เราอยานะเหตดที่เราดิ้นรนเห็นเป็นความทุกข์เพราะความดิ้นรนนะไม่ว่าเราจะดิ้นรนหาความสุขก็ดีนะหรือเราดิ้นรนที่จะพ้นจากความทุกข์ก็ดีนะไปงีมันก็คือการดิ้นรนการแสวงหาเนาะ ซึ่งก็ <c oughs> ชีวิตเราหรืชีวิตคนอื่นก็เหมือนเราก็ติดกับดักตรง น, นี้หรือเปล่ากับดักของการดิ้นรนการสแสวงหาอสิ่งที่เราพัถนานะแต่เหมือนเรายิ่งดิ้นรนยิ่งสแสวงหากับยิ่งหาไม่เจ อ, อยังไงไม่รู้อ <c oughs> แต่พอจิตมันหยุดดิ้นรนนะไม่ใช่การหานะแต่เหมือนเป็นการ มันอยู่กับความรู้สึกตัวเช่นพอจิตที่มันไม่ดิ้นรนมันก็อยู่กับความรู้สึกตัวของมันเองมันหายใจมันก็รู้สึกไม่ต้องพยายามที่จะหายใจเพียงแค่รู้สึกว่าเพียงแค่หายใจแล้วก็รู้สึกนะไม่ต้องพยายามที่จะหายใจอย่างไรแต่เพียงแค่รู้สึกกับการหายใจ นี่ผมส่วน่วนใหญ่เวลาถ้าจิตมันนิ่งมากๆนะจิตมันจะไปดูลมหายใจของมันเองมันอาจจะมีพื้นฐานจากการฝึกดูลมหายใจนะตอนที่ถ้ามันไม่ได้ทำอะไรมันก็กลับไปตรงนั้นแต่บางทีมันก็พอเราไปทำอิริยาบถ ท, ที่มันอย่างอื่นนะเดินอาบน้ำ นั่นนี่มันก็ไปรู้อีเวนต์อย่างอื่นแทนมันก็ไม่ต้องทำอะไรไนะปมากกว่าเพียงแค่แค่รู้สึกในสิ่งที่ทำคุณนิ้วกลมเขาก็ผมคุยคุยกับอาจารย์หลายอย่างนะเขาก็รู้สึกพอกลับออกมาบ้านที่บ้านของอาจารย์โควิดมันเปลี่ยนไป มันเปลี่ยนเพราะว่าใจเขาเปลี่ยนในระดับหนึ่งแล้วนะที่เห็นบ้านมันขัดตาเห็นบ้านมันลกลงรังไม่เรียบร้อยในตอนแรกแต่พอได้คุยกับอาจารย์โควิดกลับมาขณะที่จะออกจากบ้านล้วก็เห็นเห็นภาพที่มันเปลี่ยนนะประมาณว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละมันก็เต็มไปด้วยความสงบ เต็มไปด้วยความเรียบง่ายคือพอใจพอใจเปลี่ยนการมองโลกมันก็เปลี่ยนถ้าใจเราทุกข์ใจเราดิ้นนนมันก็จะจะมองสิ่งต่างๆด้วยความทยานอยากมองด้วยความไม่พอใจนะแต่พอใจเราสงบมันก็มองสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจแล้วก็ไม่ได้มีความ คาดหวังอะไรนะ่ก็เพียงแค่รู้มันก็ จ, จะเป็นความงามความสงบอยู่ในตัวของมันเองมันก็รู้สึกว่าเออมันที่จริงเราก็ปฏิบททัติธรรมก็ไม่ต้องปฏิบัติเพื่อจะเป็นอะไรเพื่อจะได้อะไรนะเราแค่ปฏิบัติเพื่อให้เราอยู่กับปัจจุบันเนะี่ยยังมีสติก็พอแล้วนะ หรือมันไม่มีสติก็ไม่เป็นไรไม่มีสติเราก็รู้ว่ามันไม่มีสติมันมันก็พอแล้วไม่มีอะไรเป็นมากกว่า น, นั้นถ้าจิตเราไม่ดินน้นรนทยานอยากเราก็จะพบความสงบได้ง่ายแต่บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตให้มันมันสงบหรือว่าให้มันไม่มีความทายานเราก็ทำไม่ได้ ตอนไหนที่มันทะยานตอนไหนที่มันอยากแล้วก็คมเพียงแค่รู้มันล้วก็คงทำแบบนี้แล้วก็คงต้องสังเกตไปเรื่อยๆบางครั้งมันก็ดิ้นของมันเองบางทีมันก็ไม่ดิ้นก็คงไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปบังคับนะบางทีมันก็คงไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในอำนาจของเราเหมือนกับแมวมันจะไปมันจะมา หาเรามันจะทำยังไงก็คงห้ามมันยากเราทำได้เพียงแค่แค่รู้มันนะรู้มันเฉยๆก็คงไม่ต้องทยายามนะมันก็คงเพียงพอในการปฏิบัติธรรมแล้วเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนาะ ฟังไปแล้วก็รู้สึกอย่างไรก็กคงแล้วแต่ประสบการณ์ชีวิตแต่ละคนประสบการณ์ในการปฏิบัติทรามแต่ละคนอันนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นเรื่องเนประสบการณ์ชีวิตของนักเขียนหรือว่าของอาจารย์โควิดนะที่ท่านก็พูดเรื่องราวการมีชีวิตหรือว่าการการปรึกติของท่านนะตามมุมมองของท่าน แต่ของเราเองก็คงต้องเป็นทางของเราเองนะแต่ก็เป็นทางที่ก็คงเป็นทางเส้นเดียวกันนะแต่ความเข้าใจในเส้นทางนั้นก็คงแล้วแต่ประสบการณ์มุมมองหรือว่าการวางใจนะแต่ก็คิดว่าการมีชีวิตหรือโดยการที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเป็นอะไรมาก มันก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปก็ก็มักจะลงลืมไปนะเพราะว่าบางทีเราก็มีชีวิตด้วยความทางตอนเราเป็นคารวาแล้วก็คงมีความทะยานอยากที่จะประสบความสําเร็จในทางโลกตอนที่เราออกบวชเราก็คงมีความทะยานอยากที่จะอยากจะได้อยากจะเป็นอะไรสักอย่าง แต่ถ้าเราลองดูไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรือเราเไม่ได้เป็นนักบวชเราเป็นนักบวชก็เรามีชีวิตอยู่แบบลดความทยานอยากที่จะเป็นอะไรหรือว่าถ้าถึงที่สุดก็คงไม่ต้องมีความทยานอยากหรือถ้ามันยังมีอยู่ก็เพียงแค่แค่รู้มันแล้วก็ไม่ต้องไปดิ้นรนกับมันดีไหม ก็รู้ึกว่าถ้าจิตที่มีสติมันก็จะไม่ดิ้นโดนแต่ถ้าจิตที่ขาดสติมันก็จะดิ้นโดนดิ้นโดนแสวงหาความสุขดิ้นโดนที่จะพ้นจากความทุกข์ยิ่งดิ้นกับยิ่งรู้สึกทุกข์ยิ่งดิ้นกับยิ่งรู้สึกว่ามันไม่เจอความสุขก็ <c oughs> แต่จริงก็ห้ามไม่ได้ก็เพียงแค่รู้ทันมันดิน้นะ รู้ทันมันดินมันก็คงสงบของมันเองมันก็คงเป็นเป็นธรรมะในในรูปแบบที่ก็เราก็คงเอาไปใช้ดูเนาะมันก็จะจะได้ความรู้สึกแบบไหนอย่างไรก็ก็ลองเอ า, เอาไปใช้เอาไปเรียนรู้ดูจากประสบการณ์ของของผู้ที่มี อายุมากกว่าเรานะ <c oughs> อะเยวได้ผ่านการปฏิบัติธรรมมาหลายปีนะ่ น, นก็มีมุมมองของการใช้ชีวิตและการปฏิบัติธรรมที่ก็กน่าสนใจแต่คุณนิ้วกลมกับคุณวิจักเขาก็ตอนออกมาจากบ้านอาจารย์คเขาก็บอกว่าเขาก็พูดกันนะเราก็ยังเป็นวัยหนุ่มๆอยู่นะ อายุพรกเขาก็ประมาณเท่าเท่าอัตมน 3, ี่ผมตามติดไปไปลายเขาบอกเราก็ยังอายุไม่มากเราก็ไม่ต้องพยายามที่จะทำตัวให้แก่หรอกเราก็ทำไปตามตามวัยนะของเราเนี่ยแหล ะ, ะไม่ต้องรีบพยายามที่จะแก่ไม่ต้องพยายามที่จะต้องรู้ทุกอย่างนะ เราไม่รู้เราก็ว่าเราไม่รู้ก็ได้ซึ่งมันก็ดีเหมือนกันนะคือว่าเขาไม่ต้องพยายามที่จะทําให้มันทําตัวเองให้รู้หรือทําให้ตัวเองให้มันต้องไปล่อยวางนะคล้ายๆเหมือนอาจารย์กอวิตก็คือประมาณเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นแหลนะแต่เพียงแค่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น เป็นแบบไห น, นก็แค่ยอมรับในสิ่งที่เองเป็นอยากก็ยอมรับว่ามันอยากไม่รู้ก็ยอมรับมว่าไม่รู้ที่จริงมันก็ง่ายนะมันก็ง่ายมากนะเรื่องหนที่เราไม่รู้เราพยยางที่จะทำตัวแบบเป็นผู้รู้เ่ยก็ <c oughs> มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วเราก็ไม่มั่นใจหรอกมันอยากแล้วเราก็ที่จริงเราก็แค่ยอมรับว่าเราอยาก มันก็อาจจะหายอยากนะแต่ถ้าเราอยากเราโกรธแล้วเราก็ไม่ค่อยยอมรับ ว, ว่าเราอยากเราโกรธนะทีคาพูดเราพูดแบบนั้นแต่ท่าทีที่คนอื่นเขารู้สึกมันก็มันรู้สึกจากความรู้สึกของเขาที่มันตรงกับความรู้สึกของเรามากกว่ามากกว่าคำพูดนะั่นนะมันก็เป็นหนทางนะที่เหมือน ชีวิตก็คงเป็นเหมือนหนทางก็เหมือนการเดินทางนะไม่ว่าเราจะมีเป้าหมายชีวิตหรือเราไม่มีเป้าหมายชีวิตนะแต่เหมือนเราก็เดินทางเหมือนเราเดินทางบางคนมีเป้าหมายที่จะไปถึงที่ไหนหรือบางคนก็เพียงแค่เดินไปเรื่อยๆไม่รู้ถึงที่ไหนแต่จริงชีวิตเองมันอาจจะเหมือนเป็นการเดินเราก็คงอยู่ได้แค่กับการเดิน เราไม่สามารถที่จะไปเป้าหมายโดยที่เราไม่เดินชีวิตเราคงต้องอยู่กับการเดินในแต่ละก้าวอยู่กับปัจจุบันแต่ละขณะรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างก็ไม่เป็นไรตอนที่รู้สึกตัวก็รู้สึกไปตอนไม่รู้สึกก็รู้สึกว่ามันไม่รู้สึก ตอนที่มันคิดเนะ่ยก็เพียงแค่รู้ว่ามันคิดตอนที่มันอยากก็เพียงแค่รู้ว่ามันอยากเนาะก็ลอมเรียนรู้ดูเนาะแล้วก็ทำสบายๆเนะ่ยมันอยากก็รู้ทันมันนะมันไม่อยากก็รู้ทันมันนะใจเป็นแบบไหนก็รู้อย่างนั้นนะร่างกายเป็นแบบไหนก็รู้อย่างนั้น ก็ฝากไป